บุคคลที่ห้ามบวชอื่นอื่นอีกต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในการที่ภิกษุทั้งหลายบวชให้แก่ผู้ไม่สมควรจึงทรงบัญญัติพระวินัยห้ามบวชให้แก่ผู้ไม่สมควรต่อไปนี้ 1. กระเทยหรือที่เรียกว่าบรรดอคือผู้ที่พอใจให้บุรุษเกี่ยวข้องกับตนโดยมีความรู้สึกตนเหมือนเป็นสตรี2 คนที่รักกัเพทคือบวดเอาเองโดยไม่ถูกต้อง 3. ภิกษุที่ไปเข้ารีดเดียร์ถีสสัตยรัชฌาน 5. ผู้ฆ่ามารดา 6. ผู้ฆ่าบิดา 7. ผู้ฆ่าพระอาหารหันต์ 8. ผู้ข่มขืนนางภิกษุณี 9. ผู้ทำสงฆ์ให้แตกกันสิบ ผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงยังพระโลหิตให้ห้อ 11. คนมีอวัยวะสองเพศหรือที่บาลีเรียกอุพัตโตพยัญชนกทั้ง11บอดประเภทนี้ถ้าบวชให้แล้วรู้เข้าภายหลังต้องให้ศึกไปลักษณะที่ไม่ควรให้อุปสมบทคือบวชเป็นพระอีกยี่สิบประเภท ครั้นแล้วส่งบัญญัติพระวินัยแสดงลักษณะที่ไม่ควรให้บวชคืออุปสมบทบุคคลรวม20สประเภทดังต่อไปนี้ 1. ผู้ไม่มีอุปชายยะ 2. ผู้มีอุปชายยะเป็นสงคืออุปชายยะต้องมีรูปเดียวไม่ใช่มากรูป 3. ผู้มีอุปชายยะเป็นคณะถ้ามีแค่สองถึงสมรูปชื่อว่าเป็นคณะ ถ้าสี่รูปขึ้นไปจึงเรียกเป็นสงฆ์ 4. ผู้มีอุปชายะเป็นกระเทย5ผู้มีอุปชายะเป็นคนลักกระเพศคือผู้บวชเอาเอง6ผู้มีอุปชายะเป็นผู้เข้ารีดเดียรถ์ถี7ผู้มีอุปชายะเป็นสัตว์เดียร์ฉานซึ่งมีเรื่องเล่าว่านาคปลอมมาบวช8ผู้มีอุปชายะเป็นผู้ฆ่ามารดา เผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้ฆ่ามิดา 10. ผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ 11. ผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้ข่มขืนนางภิกษุณี 12. ผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน 13. ผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้ประทุษร้ายพระพุทธเจ้าถึงอย่างพระโลหิตให้ห่อสิบสี ผู้มีอุปชัยยะเป็นผู้มีอวัยวะสองเพศสิบห้าผู้ไม่มีบาทสิบหกผู้ไม่มีจีวรสิบเจ็ดผู้ไม่มีทั้งบาททั้งจีวรสิบแปดผู้ขอยืมบาทเข้ามาบวชสิบเก้าผู้ขอยืมจีวรเข้ามาบวชยี่สิบผู้ขอยืมทั้งบาททั้งจีวรเข้ามาบวชทั้งยี่สิบประเภทนี้ถ้าสงฆ์บวชให้ ต้องอาบัตทุกกฏลักษณะที่ไม่ควรให้บรรพชาเป็นสามเณร32มประเภท 1. คนมีมือขาด 2. คนมีเท้าขาด 3. คนมีทั้งมือทั้งเท้าขาด 4. คนมีหูขาด 5. คนมีจมูกแหว่ง 6. คนมีทั้งหูขาดทั้งจมูกแหว่ง 7. คนมีนิ้วมือขาด 8. คนมีนิ้วหัวแม่มือขาด 9. คนมีเอ็นเท้าขาด 10. คนมีมือเป็นแผ่นคือนิ้วติดกัน 11. อคนค่อมส2องคนเตี้ยเกินไปหมายเหตุผู้อ่านน่าจะหมายถึงคนแคระนะครับ 13. คนคอพอกสคนถูกนาบด้วยเหล็กแดงจนเสียโฉม ที่เกิดจากการลงโทษ15คนถูกโบยด้วยแส้มีรอยแผล16คนถูกหมายจับคือให้ฆ่าได้เมื่อพบ17คนมีเท้าปุกเป็นตุ้ม18คนเป็นโรคอันเป็นโทษแห่งบาปคือโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย19คนประทุษสลายบริษัทคืออยู่ในหมู่แล้วทำให้หมู่ดูวิปริต ด้วยรูปร่างอันผิดปกติของตนเช่นสูงเกินไปเตี้ยเกินไปดำเกินไปขาวเกินไปผอมเกินไปอ้วนเกินไปเป็นต้นยีสคนตาบอดข้างเดียวหรือทั้งสองข้างยีอคนเป็นง่อย22ิบสองคนกระจอบคือเท้าผิดปกติต้องเดินด้วยหลังเท้าเป็นต้นยีสคนเป็นอมพาธ ร่างกายตายไปซีกหนึ่ง 24. สคนเปลี่ยเดินเองไม่ได้ 25. ห้าคนชราทุกพลภาพ 26. หคนตาบอดแต่กำเนิด 27. ็คนใบ้ 28. คนหูหนวก 29. คนทั้งบอดทั้งใบ้สาสคนทั้งบอดทั้งหนวกส1อคนทั้งใบ้ทั้งหนวก สาสิบสองคนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวกบุคคลทั้งสาสิสองประเภทนี้ผู้บรรพชาให้ต้องอาบัต ท, ทุกกฎหมายเหตุจากหนังสือการกำหนดข้อห้ามไม่ให้บวชคนสาสิบสองประเภทนี้เป็นสามเณรนั้นเป็นอันห้ามสำหรับบวชเป็นพระด้วยเพราะตามวิธีการบวชผู้ที่จะบวชเป็นพระ จะต้องผ่านลำดับจากการเป็นสามเณรมาก่อนแม้ชั่วครู่หนึ่งการตั้งข้อกำหนดนี้เพื่อมีให้พระพุทธศาสนาเป็นเหมือนทางขยะรับคนที่ทางโลกไม่ต้องการแล้วแต่ก็ไม่มีข้อห้ามเด็ดขาดถึงขนาดว่าบวชให้แล้วต้องให้ศึกไปเหมือนบุคคลสิบเอประเภทที่กล่าวไว้ในข้อห้ามบวชเด็ดขาด หมายเหตุจากผู้อ่านนะครับให้สังเกตว่าสาสสองข้อนี้คือบุคคลผู้ควรไม่ให้บวชนะครับแต่ไม่ได้ห้ามบวชเด็ดขาดแล้วก็อยากฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่ยังขาดการศึกษาให้ครบถ้วนเพราะปัจจุบันได้เห็นมาเยอะนะครับที่หลายคนปรามาพระศาสดาปรามาพระศาสนาหาว่ากีดกันบุคคลต่างๆหาว่าจํากัดสิทธิซึ่งความจริงแล้วเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า การบวชบวชเพื่ออะไรการบวชก็คือเป็นพระเป็นนักบวชที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ในการเผยแพร่ศาสนาและทำศาสนากิดเป็นเจ้าหน้าที่ของศาสนาดังนั้นก็แทบไม่ต่างกับองค์กรต่างๆที่จำเป็นจะต้องมีป่ายประชาสัมพันธ์หรือมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถมีร่างกายทางานได้เต็มที่และเป็นหน้าเป็นตาขององค์กรนะครับการมีภาพของพระ ที่พิกลพิการหรือดูหน้ารังเกียจลองคิดดูว่าจะทําให้ศาสนาสืบต่อได้นานแค่ไหนจะทําให้คนศรัทธากราบไหว้และรู้สึกดีได้อย่างไรพระพุทธองค์ทรงตั้งกฎไว้มากมายเพื่อให้ศาสนาเป็นที่สง่างามน่าเคารพน่าบูชาและปฏิบัติกิจได้คล่องตัวมากที่สุดนะครับสําหรับคนที่บวชไม่ได้ก็ไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพาน เรายังสามารถอยู่บ้านศึกษาธรรมเจริญสติฝึกสมาธิฟังธรรมและบรรลุอริยบุคคลได้เช่นเดียวกันทุกเพศทุกวัยนะครับจะมีก็ยกเว้นแต่ผู้ที่ทำอนันตริยกรรมไว้เท่านั้นโปรดเข้าใจกันด้วยนะครับว่าการบวชเป็นสิ่งที่เหมาะกับคนที่พร้อมแล้วจริงๆเท่านั้นที่จะเป็นพระสงฆ์ให้คนกราบไหว้และสืบต่อพระศาสนาให้ยาวนานที่สุด จึงขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับไม่อยากเห็นคนทำกรรมร้ายแรงด้วยการปราโมทาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะเป็นกรรมติดตัวไปยาวนานมากกว่าจะหมดเวรหมดกรรมได้ข้อกำหนดเรื่องให้นิสัยเพิ่มเติมต่อมามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงทรงบัญญัติพระวินัย มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเรื่องการให้นิสัยคือรับเข้าในปกครองดังนี้หห้ามให้นิสัยแก่ภิกษุอลัตชีคือผู้ไม่ละอายในการต้องอาบัตถ้าให้นิสัยต้องอาบัตทุกกฎ 2. อจะรู้ว่าเป็นผู้มีความละอายหรือเป็นอลัตชีให้รอดูสี่ถึงห้าวันได้ว่าจะเข้ากับภิกษุทั้งหลายได้หรือไม่ 3. ภ so ิกษุเดินทางไกลอนุญาตให้ไม่ต้องถือนิสัยในเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสัย 4. อนุญาตให้ภิกษุผู้เป็นไข้ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุไข้ไม่ต้องถือนิสัยได้ในเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสัย 5. อนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่าไม่ต้องถือนิสัยได้ในเมื่อไม่มีภิกษุผู้ให้นิสัย แต่ถ้ามีภิกษุผู้ให้นิสัยมาต้องถือนิสัยข้อกำหนดเรื่องการอุปสมบทต่อมาทรงบัญญัติให้สวดอนุสาวนาไม่ต้องระบุนามแต่ระบุเพียงโครหรือสกุลได้และให้สวดประกาศครั้งละ2ถึงสรูปได้โดยมีอุปชายรูปเดียวกันและทรงอนุญาต ให้นับอายุผู้บวชว่าครบยี่สิบโดยคิดตั้งแต่อยู่ในคันข้อบัญญัติในพิธีกรรมอุปสมบทครั้นแล้วทรงแสดงวิธีการต่างๆในการอุปสมบทเช่นการสอบถามอันตรายิกธรรมคืออุปสรรคที่ต้องห้ามในการบวชสิบเจ็ดข้อมีโรคห้าอย่างนั้นเป็นต้น ทั้งการซักถามเป็นส่วนตัวก่อนแล้วจึงซักถามในที่ประชุมสงฆ์ตลอดจนการสวดประกาศสามจบและอนุมัติให้เป็นภิกษุได้เมื่อบวชแล้วให้วัดเงาแดดให้บอกฤดูให้บอกส่วนของวัดให้บอกสังคีติคือบอกรวมข้างต้นทั้งหมดเพื่อเป็นหลักฐานแล้วให้บอกนิสัยสี คือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตสี่อย่างคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคซึ่งกล่าวมาแล้วข้างต้นแล้วให้บอกอกรณียกิจคือสิ่งที่ไม่ควรทำสี่อย่างคือการเสพเมถุนการลักทรัพย์การฆ่าสัตว์และมนุษย์การอวดคุณในพิเศษที่ไม่มีในตนเพื่อป้องกันการทำความผิดที่สาคัญในตอนแรก การปฏิบัติต่อผู้ทำผิดมีเรื่องเกิดขึ้นจึงทรงแสดงข้อปฏิบัติในกรณีนั้นๆคือหนึ่งเมื่อภิกษุไม่เห็นอาบัติคือต้องอาบัติแล้วไม่รับว่าต้องถูกสงประกาศยกเสียจากหมู่จึงสึกไปภายหลังขอเข้ามาบวชใหม่ถ้าสอบถามแล้วยอมรับว่าต้องอาบัติจริงก็ให้บวชได้เมื่อบวชแล้ว ให้ทําพิธีทําคืนอาบัตที่ต้องไว้แต่ครั้งก่อนสองเมื่อภิกษุไม่ทําคืนอาบัตถูกสงสวดประกาศยกเสียจากหมู่จึงสึกไปภายหลังมาขอบวชถ้ารับว่าจะทําคืนอาบัตก็ให้บวชได้เมื่อบวชแล้วให้ทําคืนอาบัตที่ต้องไว้แต่ครั้งก่อนให้เรียบร้อยสาม เมื่อภิสษุมีความเห็นชั่วหยาบคือความเห็นผิดอย่างแรงถูกสงสวดประกาศยกเสียจากหมู่จึงสึกไปภายหลังมาขอบวชถ้ารับว่าจะลับความเห็นผิดนั้นก็ให้บวชได้เมื่อบวชแล้วไม่ยอมทำคืนอาบัติก็ดีไม่ยอมสละความเห็นผิดก็ดีสงมีสิทธิประกาศยกเสียจากหมู่ได้อีกแต่ถ้าไม่ได้พิกษุครบองสงที่จะสวดประกาศ ก็อยู่ร่วมกับเธอได้ไม่ต้องอาบัต